ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประภาปุพพากิขาและปุพพากิขาวันนณาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรุจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของสิกขาบทที่เป็นอจิตกะบัญญัติต่อนะข้อหนึ่งไม่เป็นไข้อย่าให้เขาถอนขนในที่แคบ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 ให้เขานำเสียซึ่งขนในที่แคบเพราะอาพา ค, คือเป็นฝีแผลและต่อมทายาหรือพอกยาข้อหนึ่งอย่าทิ้งและอย่าให้เขาทิ้งอุจจาระปัาวะและหยากเยื่อของเป็นเดนนอกฝาหรือนอกกำแพงข้อหนึ่งอย่าทิ้งอย่าให้เขาทิ้งของสี่อย่างนั้นในที่ของเขียวคือไร่นาของเขาด้วยสองสุขาบทนี้มาในปาจิตตีแห่งเิกตุนี พร่อัตฉริยาจารย์ท่านกล่าวว่าในพิกตุเป็นทุกกฎทิ้งเองซึ่งของสี่อย่างนอกฝาหรือนอกกำแพงด้วยประโยคอันเดียวกันเป็นทุกกฎตัวเดียวเมื่อทิ้งต่างกันเป็นทุกกฎนับด้วยวัตถุของพิกษุณีนี้ถ้าทิ้งในไร่นาในของเขียวสดต่างๆอันนี้ก็อุจรปัตวะอยากเยื่อของเป็นเดชต้องปฏิจติของพิกตุนี้อบัตทุกกฎแม้ในการบังคับให้เขาทิ้งก็เหมือนกัน แม้ทิ้งไม้สีฟันคงเป็นทุกกดแท้และดูก่อนจึงทิ้งอุจจาระเป็นต้นหรือว่าทิ้งในที่ไม่มีคนไปมาเป็นที่เคยทิ้งไม่เป็นอบติไรนาเป็นที่เพาะปลูกพืชผลของมนุษย์หรือสวนมะพร้าวเป็นต้นก็าตามในที่ใดที่หนึ่งเป็นที่มีของเขียวคือพืชผลเขาเพาะปลูกหวานไว้แล้วจะทิ้งของสี่อย่างนั้นไม่ควรเมื่อทิ้งให้พึงรู้ประเภทอบติโดยในก่อน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 ด้วยสรงห้ามไวว่าณพิขเวหัตถิมังสังอสสะสูนขะอาหิสีหะพยัคฆ์ทีปิอัจชะตรัตชะมังสังปริพุนชิตตบังดังนี้สุนักป่าชื่อว่าโกกะเหมือนสุนักบ้านเนื้อแห่งสุนักป่านั้นควรฉันได้สุนักบ้านฉันไม่ได้สุนัขใดเกิดด้วยแม่สุนักบ้านพ่อสุนักป่าหรือว่าด้วยแม่สุนักป่าพ่อสุนักบ้านประสมกัน เนื้อแห่งสุนัขนั้นไม่ควรด้วยสุนัขนั้นเศษชาติเป็นสองฝ่ายเนื้อแห่งทีค้าชาติสัตว์ยาวไม่มีเท้าจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งปวงชื่อว่าเนื้องูไม่ควรรวมทั้งปาลาไหลด้วยนะสัตว์ตัวยาวเนื้อรากศรีเป็นต้นเป็นของปรากฏอยู่แล้วโดยแท้เนื้อมนุษย์เป็นวัตถุแห่งถูดจิตใจดังกล่าวแล้วก่อนพระองค์ทรงห้ามเพราะว่ามีชาติเสมอกันเนื้อมนุษย์นี้ห้ามฉัน มีชาติเสมอการน่ารังเกียจเนื้อช้างเนื้อมา้าห้ามเพราะมีชาติเสมอกับราชยานเนื้อสุนัขเนื้องูห้ามเพราะเป็นของปฏิกูลเนื้อราชสีเป็นต้นห้าอย่างห้ามเพื่อจะมิให้เบียดเบียนตนเพราะว่าถ้าฉันพวกเนื้อสัตว์ร้ายเหล่านี้ไปอยู่ปานกลิ่นตัวจะออกพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายได้กลิน่นก็จะมาเบียดเบียนเอาแม้เนื้อและกระดูกและเลือดและหนังและขน แห่งสัตว์สิทธิจำพวกมีมนุษย์เป็นต้นนี้ทั้งปวงไม่ควรสิ้นเนื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านั้นไม่ควรสิ้นรู้หรือไม่รู้ก็ตามฉันคงเป็นอบัติรู้เข้าเมื่อใดจึงแสดงเสียงเมื่อนั้นคิดว่าจะไม่ถามและรับจะฉันเป็นทุกข์ก็เพราะรับรับโดยคิดว่าจะถามแล้วจึงจะฉันไม่เป็นอบัติแต่เนื้อที่เขาเจาะจงแล้วและฆ่ามา รู้แล้วฉันจึงเป็นอบัติไม่รู้ที่แรกไม่รู้แต่ว่าภายหลังรู้เข้าเพราะวินัยทอนอยาปรับด้วยอบัตินั้นรู้ที่หลังนี้ไม่เป็นอบัตินะเป็นแบบเนื้อที่เจาะจงแต่ว่าถ้าเป็นอาการยักมังสานีรู้ไม่รู้นี่ฉันก็ไปอบัติทั้งนั้นข้อหนึ่งนอนในกลางวันให้ปิดประตูด้วยทรงอนุญาตไว้นวินี่ตวัตถุว่าอนุชานามิภิกข เ, เวก็ความละ ดิวาปฏิสัน ล, ลียันเตนะดวาราังสังวริตวาปฏิสัน ล, ลิยิตุงดังนี้พอะคำนี้เมื่อไม่ปิดประตูเรนอยู่ในกลางวันท่านกล่าวว่าเป็นทุกข์ด้วยว่าพระอุบาลริเถระเป็นต้นท่านรู้อธิบายแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอัตถกถาไว้แล้วซึ่งกล่าวว่าเป็นทุกข์นั้นสาเร็จด้วยคาในปริวาระด้วยดังนี้ว่า อัฐาปติิวาอาปั ช, ชติโนรติแปลว่าอาบัดมีอยู่พิกูจนต้องในกลางวันไม่ต้องในกลางคืนประตูเช่นไรจะต้องปิดประตูเช่นไรไม่ต้องปิดประตูที่เขาทําบานด้วยกระดานหรือว่าด้วยซีไม้ไผ่หรือลําแพนและใบไม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบเข้าในครบข้างล่างห่วงข้างบนหมุนไปได้ประตูเช่นนี้ต้องปิด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 ประตูเช่นนี้ไม่ต้องปิดแต่ในข้อว่าพิกตุมีบาดอยู่ในมือผลักบานประตูนั้นประตูผ้าม่านสิ่งเดียวไม่ทําให้เป็นอบัติผลักประตูนอกนั้นเป็นอบดักเพราะฉะนั้นประตูที่มีคล็อกเลื่อนหมุนไปมาได้อันนี้นต้องปิดต น, นนอนกลางวันแต่ว่าประตูอย่างอื่นที่เป็นแตะที่เป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ปิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีบาดอยู่ในมือนี่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 แน่นอนเลยได้ดีเลยแม้แต่ลงสลักหรือว่าลงริ่มก็ควรหรือปิดแต่พองแงประตูถูกกันสักหน่อยหนึ่งก็ควรยังตามที่สุดก็คือถึงไม่ชิดกันพอศีรษะเข้าไม่ได้ก็ควรปิดเอาไว้พอศีศษะรอดเข้าไม่ได้ก็ควรแล้วถ้าประตูเป็นที่ใช้สอยแห่งคนมากด้วยกันไซส์แม้จะสั่งพิจุหรือว่าสามเณรช่วยปิดแล้วนอนก็ควร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 ถ้าพิจุมาเ ก, กันกลับจากทิศอาจารย์เข้าไปยังประสาดดังโลหะประสาทเพื่อจะนอนกลางวันพระสังฆเถระพึงสั่งคนรักษาประตูให้ปิดหรือทำอาโปกก็คือทำความตั้งใจไว้แต่ว่าการปิดประตูเป็นธุระของเขานั้นแล้วจึงไปเถิดพึงทำอย่างนี้ทุกองคจนถึงสังคัญนวกะแม้ผู้เข้าไปก่อนจะทำอาโปกว่าการปิดประตูเป็นภา ร, ระของคนหลังก็ควร เมื่อไม่ตั่งหรือว่าไม่ทําอาโปกไม่ตั้งใจไม่เจตนาไว้เข้าไปนอนในภายในห้องที่ไม่ได้ปิดประตูหรือนอกห้องคงเป็นอาบัติแม้ในเวลาเมื่อนอนในห้องหรือว่านอกห้องจะปลุกใจว่าการปิดประตูเป็นภาระของคนเป้าประตูที่ประตูใหญ่แล้วนอนก็ควรแท้เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติมีอาโปกไว้แม้นอนในพื้นแจ้งในโลหะประสาทเป็นต้นต้องปิดประตูโดยแท้ อันนี้ความย่อนอนในกลางวันนี้กล่าวในที่เขาผูกเป็นประตูและล้อมด้วยวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเหตุนั้นเมื่อจะนอนในกลางแจ้งหรือว่าโคนไม้หรือมวลดบแห่งใดแห่งหนึ่งที่เขาผูกเป็นประตูพึงปิดเสียถึงนอนถ้าบริเวณใหญ่ดังลานมหาโพและลานโลหะประสาสเป็นที่ประชุมคนมากในที่ใดประตูแม้ถึงปิดก็ไม่ตั้งอยู่ในที่อันปิด คนทั้งหลายไม่ได้ประตูย่อมปีนกำแพงขึ้นไปทีเดียวในที่เช่นนั้นกิจที่จะปิดไม่มีเปิดประตูนอนในกลางคืนอรุณขึ้นมาลุกขึ้นเสียไม่เป็นอาบัตถ้าตื่นแล้วหลับไปอีกแล้วเป็นอาบัตแต่เธอใดกำหนดไว้ว่าอารุณขึ้นมาเราจักลุกและเปิดประตูนอนในกลางคืนไม่ลุกขึ้นตามกำหนดเป็นอาบัติแก่เธอนั้นแท้แต่ในอัตถิามหาปัญจิีว่า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 แม้เธอใดคิดจะบรรเทาหาวนอนเดินจงกรมล้มลงแล้วลุกขึ้นโดยพลันก็ไม่เป็นอบัตแก่เธอนั้นแต่เธอใดล้มลงแล้วนอนไปในที่นั้นไม่ลุกขึ้นเป็นอบัตแก่เธอนั้นผู้ใดพ้นอบัตผู้ใดมีพ้นอบัตในมหาปัจจีกล่าวก่อนว่าผู้นอนคูข้างหนึ่งไม่ยกเท้าพ้นจากพื้นเท่านั้นพ้นจากอาบัตได้แต่ผู้ให้เท้าพ้นจากพื้นแล้วก็นอน แม้ผีเข้าแม้สยบอยู่ก็ไม่พ้นอบัติถ้าท้าบนพื้นในอัตถิฐานกุรันทีว่าผู้ที่เขามัดให้นอนอยู่พ้นอบัติแต่ในมหาอัตถิฐาพระมหาปทุมเถระกล่าวว่าผู้ใดเดินจงกรมสยบก็คือสลบเลยล้มลงไปหลับไปในที่นั้นอาบัตไม่ปรากฏแม้แกเธอนั้นเพราะใช่วิสัยแต่อาจารย์ทั้งหลายนี้กล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นเป็นอบัติแท้ แต่พิกตุผีเข้าและเขามัดให้นอนอยู่สองนี้พ้นอาบัตตั้งแต่ดูการฟ้อนรำมาจนกระทั่งถึงพระพุทธบัญญัตินี้เป็นอจิตตกะแม้ล่วงด้วยความไม่รู้ก็เป็นอาบัตอันหนึ่งในลาวสิกขาบทที่เป็นสจิตตกะก่อนเรียนดีรชาวิชาบอร์รชาวิชาสองนี้ในปาจิตตีแห่งพิกตีเป็นอจิตตกะแต่ในมูลสิกขาจัดเป็นพวกสจิตตกะ ในของผิกุณีนี้เป็นอาจิตรกะศแต่มูลรัติกานี้จัดเป็นสจิตรกศัศซึ่งกําหนดสิกขาบทเป็นสจิตรกัศอจิตรกัศนี้ตามอย่างในมูลสิกาแต่ในเหล่าสจิตรกศัศสิกขาบทบางสิกขาบทไม่มีในมูลรัติกาก็มีบางสิกขาบทก็ไม่มีในมูลรัติกาเป็นแต่สังเกตว่าเห็นจะเป็นสจิตรกะแล้วกล่าวไว้เพื่อจะไม่ให้เสียลําดับ ให้นักปราชญทั้งหลายผู้มีปัญญาสอบถวนเอาเถิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจิตตกะวันนานก็จบสําหรับเรื่องของวิญญาต์ก็จะเอาไว้ต่อในคราวต่อไปวันนี้ก็ขอให้ท่านได้ศรัทธาในการที่จะศึกษาอาธิสิรตึกขาเพื่อเป็นปัจจัยแก่ที่จิตและก็ทีิปัญญาติขขาขอให้ได้ศรัทธาพิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นเหตุของการประชุมไตรจิขาเพื่อความรพร้อมเพรียงของอริยมรรคมีองแปด โดยตัวกันด้เถินสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมถามิ